วันนี้จะเทศให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอนุสติสิบมีพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติวรณสติกายกตาสติอานาปานุสติอุปสมานุสติ อันนี้เราก็นุสติสิบสามารถใช้เป็นเครื่องบริกรรมทําให้กิจเข้าสู่ความสงบได้เช่นอย่างพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าระลึกถึงความเมตตาของพระ อ, องค์ต่อสัตว์โลก จิตใจของเราถ้าลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมชุ่มเย็นแม้ตายก็ไม่ได้ไปสู่ไบยภูมิเพราะว่าเมื่อเราละลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อยู่จิตของเราก็จะต้องสงบสบายเหมือนคนรักษาศีลเหมือนอน า, นาปานัสติเหมือนที่เราสอนมานี่กรครั้งแรกทีเดียวก่อนที่จะ เปิดคอร์ดปฏิบัติธรรมนี้ก็สอนพุทธานุสติต่อมาก็มาสอนอาณาปานสติคือให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็ได้สอนไปมากแล้วทีนี้จะสอนเรื่องพุทธานุสติคือละลึกถึงคุณพระพุธเจ้าคำว่าลึกถึงคุณฑปุธเจ้าก็ ค, คือละลึกถึงความดีของพระองค์ทุกอย่าง เราใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจเราใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธลองทําดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นก็ให้มีอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มบทบริกรรมเข้าไปคือพุทธานุสติหรือพุทโธพุทโธ นึกพุทธโธพุทธโธในใจสติอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นแหะถ้าสติขาดไปก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นอย่างอื่นมันก็ลืมพุทธโธถ้าถ้าตั้งใจพิจนารณาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไวใจก็จะสงบลงจากความวุน่นี่วุ่นวายต่างๆใจก็จะสบายขึ้นมีความสุขขึ้น เพราะฉะนั้นการระลึกถึงพุทธโธพุทธโธนี้เป็นการที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอนุสติสิบมาปฏิบัติแต่ที่นี้เราก็ไม่เอาทั้งหมดเอาเฉพาะพุทธานุสติคือพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เวกบันในธรรมให้ลองทาดู เวลาลมเข้าก็ดีลมออกก็ดีให้นึกพุโทโธพุโทโธอยู่ไม่ต้องว่าเข้าพุทธออกโธอะไร ต, รต่างๆก็ไม่ใช่เอาแต่ว่าเราเห็นพุโทโธอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่จมกูกอยู่ที่ท่ามกลางอกอะไรได้ทั้งนั้นเนี่ยแม้แต่เอาไปไว้ในต้นไม้หนุนถ้ากิฬาสงบมันก็พุโทโธพุโทโธอยู่นุ่นเพราะนั้นให้คิดว่าเรา ท่องพุทโธในใจเหมือนกับการท่องสูตรคูณสองหนึ่งเป็นสองเนี่ยสองสองเป็นสี่เราทำไงไปเราก็นึกอยู่ในใจนึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจใจอยากคิดเรื่องอื่นก็คิดไม่ได้เพราะเรายังมีพุทโธอยู่เรายังท่องพุทโธในใจอยู่เรายังนึกพุทโธพุทโธในใจอยู่ให้ลองทำดู ต่อไปจะสอนรายละเอียดของพุโทโธพุทโธนี้ไว้ทั้งหมดแต่วันนี้จะให้รู้ว่าการบริกรรมหรือนึกถึงคําบริกรรมที่หลวงปู่เทศท่านเคยเทศไว้ว่าบริกรรมภาวนาพุโทโธบริกรรมภาวนาพุโทโธเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเขียนออกด้วยท่านเองพิมพ์แจกญาติโยม ที่ไปในงานวันเกิดของท่านเรีย่บริกรรมพุโทโธนึกพุโทโธอยู่ในใจลองนึกดูนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจใจของเราจะสงบเย็นลงไปเลยจนวางท่าสงบเต็มที่วางอุปจารสมาธิวางอัปอปนาสมาธิ เดี๋แต่รู้เลยอย่างเดียวคือทําไปทําไปนี่พอมันสงบไม่ต้องนึกพุทธโธก็ได้จิตก็จะเย็นลงสบายลงแต่เบื้องต้นเราต้องนึกพุทธโธพุทธโธไว้ในใจนึกไว้ในใจให้นึกพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจ เป็นหมวดเดียวกันกับอาณาปานาสติดนั่นแหละแต่อันนี้พุทโธลองนึกพุทโธในใจดูเมื่อจเจริญกรรมาฐานคือพุทโธพุทโธนี้ไว้ในใจจะได้ผลสองอย่างผลอย่างหนึ่งคือได้อุปจารสมาธิผลอย่างต่ำสิบสามประการคือหนึ่งเกิด ความนับถือยำเกรงต่อพระพุทธเจ้ามากขึ้นสองมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นสามมีสติมากขึ้นสี่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นห้ามีความเพื่อมใจมากขึ้นหกอดทนต่อความกลัวต่างๆ เกดอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆได้แปดสมควรอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าได้เก้าสมควรเป็นที่บูชาของคนทั้งหลายเหมือนกับพระเจดีย์สิบจะมีใจน้อมไปในพุทธภูมิคืออยากจะเป็นพระพุทธเจ้าสิบเอ็ดมีความละอายและเก่งกลัวต่อความชั่ว ไม่กล้าทำความชั่วให้เหมือนกับอยู่ตรงพระพักของพระพุทธเจ้า12มีสันดานผ่องใสมากขึ้นมีจิตผ่องใสมากขึ้นนั่นเอง13ได้เกิดในสุคติเมื่อตายแล้วนี่แหละอั น, นิสงอย่างต่าส่วนอ น, นิสงอย่างสูงคือได้บรรลุมารลได้หลวงปู่เสาก็ดีหลวงปู่ มั่นก็นดีหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถระเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไว้ในใจเหมือนกันหมดนึกพุทธโธพุทธโธใจจะเย็นลงสบายลงสติจะมากขึ้น ปัญญาก็าเกิดทำความหลุดพ้นจากกองทุกได้เช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ล่วงรับดับขันไปที่ฝึกปฏิบัติแบบพุทโธนี่ปรากฏว่าท่านเหล่านั้นได้เห็นพระนิพพานในใจหลุดพ้นจากกองทุกได้กระดูก ถูกเผากระดูกทั้งหมดน่ะถูกเผาไฟเก็บมาไว้กลายเป็นพระธาตุหมดบางทีก็ทรงความเป็นกระดูกอยู่เช่นอย่างของหลวงปู่มั่นอาตมาก็มีไว้อยู่กุิชัยยะไว้กราบไหวบูชา เป็นลูกกระดูกอยู่แต่ว่าใสเหมือนโกงข่ำเนี่ยใสอันนี้ได้มาจากโยบุญส่งพ่อของโยบุญส่งเป็นตาผ้าขาวไปอยู่รับใช้หลวงปู่มั่นพอถอยเพลิงหลวงปู่มั่นเสร็จปับ๊บต่อมาวันหลังก็เก็บกระดูก โยมเตียคนนี้ก็ไปเก็บเอาบ้างแต่ก็ไม่ได้ใส่โกดใส่อะไรอย่างสวยงามหรอกใส่ยานัดไว้ไฟไม่ค้อนแก่นบ้านเรือนพังทลายมดแต่ว่าบ้านของโยบุญส่งหรือพ่อของโยบุญส่งไฟไม่ไหมเลยจะเป็นอนุภาพอย่างไรก็คิดไม่ถึงไม่ออก ไม่บอกเป็นเพราะแต่มั่นใจได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความดีงามไม่สามารถให้ไฟไหม้นั่นเลยป้องกันได้ป้องกันอันตรายได้นี่เลยขอมาไว้ที่วัดเหล่าแบ่งมาแต่อันอื่นอาตมาก็อยากได้แต่พอไปหักมันจะแตกเป็นผุยเลยผุยพงเลย อยากได้สีนินขาให้สีขาวแล้วก็เลยอยากได้สีนินพขไปขอแบ่งพ่อแบ่งก็แตกผุเป็นฝุ่นเลยเราดูว่านึกว่าจะแข็งไม่แข็งเป็นเป็นฝุ่นไปเลยก็เลยได้แต่กระดูกที่เป็นส่วนสีขาวต่อมาก็กลายเป็น เหมือนแก้วเนี่ยกระดูของลงตามหาบัวก็เหมือนกันก็มีหลายคนเราจะพูดไปก็คงหมดเวลาไปเอาเฉพาะส่วนนี้แหละส่วนที่เราปฏิบัตินี่แหละให้คอยบริกรรมพุทโธพุทโธในใจยืนอยู่ก็ให้นึกพุทโธในใจนั่งอยู่ก็ให้นึกพุทโธในใจ นั่งสมาธิอยู่ก็ให้นึกพุทธโธในใจนอนอยู่แต่ถ้ายังไม่หลับก็ให้นึกพุทธโธอยู่ในใจเดินอยู่ถ้าไม่มีธุระจําเป็นรีบ ด, วด่วนเราก็ลองนึกพุทธโธในใจดูเดินจงกรมก็นึกพุทธโธพุทธโธไว้ในใจเดินไปเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับ เดินกลับไปกลับมาก็ให้นึกพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจใจอยู่ที่ไหนใจก็คือความรู้สึกนั่นแหละให้มีความรู้สึกว่าไปท่องพุโทโธพุโทโธในใจหรือบริกรรมภาษาภาูบริกรรมคือท่องในใจหรือจําไว้อยู่ในใจและลึกอยู่ในใจนั่นแหละให้ ล, ลึกไปเรื่อยๆทำอะไรอยู่ก็ลองนึกพุโทโธดู นอนอยู่ก็อนึกพุโทโธนั่งอยู่ก็ไอนึกพุโทโธทําอะไรอะไรอยู่ก็นึกพุโทโธเนีนึกพุโทโธอยู่ในใจมันก็มีอันิสง์อย่างที่อาตมาอธิบายอ่านให้ฟังไปแล้วนั่นแหละมีอันิสงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราระลึกถึ ง, ถงพระคุณความดีของพระพุทธเจ้า เราก็จะมีความรักความเคารพสูงส่งในพุทธเจ้า้องกำหนดดูลมหายใจก็ได้อยู่แต่มันก็ต้องนึกพุโทโธพุธโทโธย์เหล่าหลายอย่างมันจะสับสนอันนี้คือเป็นควทตที่เริ่มต้นที่มี ผู้มาปฏิบัติจำนวนมากได้ฟังในการบริกรรมพุทธโธไวในใจให้บริกรรมไวท่องไว้ท่องไว้ในใจนั่นแหละบางทีมันก็หนีไปหนีไปทางอื่นไปคิดนึกเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างตั้งสติได้ก็กลับเข้ามาหาพุทธโธใหม่ ให้ทำอยู่จนกว่าจิตกับใจกับพุทโธอยู่ด้วยกันสติใจพุทโธเป็นเหนืออันเดียวกันสมาธิก็จะดีขึ้นมันคูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็นทำสมาธิตลอดไม่ได้ทอดทิ้งท่านบริกรรมพุทโธเสอยจากหลวงปู่ที่บ้านุงเย็นไง ท่านเดินยงกรมนึกพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ท่านทําอยู่ของท่านอย่างนั้นตลอดจนทางเดินโยงกรมของท่านนั้นต่ําลงไปยุบลงไปเหมือนทางเกียนเนี่ยท่านภาวนาบริกรรมพุทธโธหลวงปู่เทศก็บริกรรมพุทธโธ สอนอาตมาก็ให้บริกรรมพุทธโธอาตมาก็บริกรรมพุทธโธให้ตั้งใจอยู่กับพุทธโธหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เราปฏิบัติมาทำมาหลายคอตแปดสิบเจ็ดคอตแต่วันนี้เราเปลี่ยนแปลง เอาเหมือนค้อแรกคือนึกคุทโธพุทธโธพุทโธอยู่ในใจทําอะไรอยู่ก็ให้นึกพุทโธไว้ถ้ามันเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราได้สติขึ้นมาก็ น, นึกพุทโธใหม่นึกพุทโธไว้ในใจใหม่เมื่อกิจพุทโธ เ, เมื่อกิจพุทโธสติ รวมกันเมื่อไหร่จิตของผู้นั้นย่อมสามารถเห็นอาเทศทำได้เลยด้วยตัวเองให้นึกพุทธโธเป็นบทบริกรรมในการปฏิบัติไม่ให้นึกอย่างอื่นหมายความไม่ให้นึกเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจอยู่กับพุทธโธ พุทโทนี่เหมือนเหยื่อเราจะใส่เบ็ดนี่เราต้องเอาเหยื่อมาใส่ในเบ็ดไว้ถึงโยนไปในน้ำปลาเห็นเหยื่อก็กินเหยื่อแต่ว่ายังมีเบ็ดอยู่ข้างในเบ็ดก็จะเกาะไวแบบนี้ไปไม่ได้ เหยื่อก็จะไปอีกทางหนึ่งปลานั้นก็ติดเบ็ดเราก็เอาแต่ปลานั้นหละมาต้มมาแกงกินส่วนเหยื่อเราก็ไม่เอาทีนี้ให้นึกพุทโธพุทโธในใจก็คือคือเหยื่อล้ออะไรล้รอใจของเรานี่แหละให้มันสงบเพราะใจคิดฟุกงานนั้นนี่มันไม่สงบ พอเอาผู้โตผู้โตมาใส่มันก็เหมือนเหยือของที่ใส่เบ็ดไปเราไม่ได้เอาเหยื่อเราไม่ได้เอาเบ็ดแต่เราเอาปลามาต้มมากินแกงกินอันนี้ก็เหมือนกันเรานึกพุ้โตพุ้โธอยู่เพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้จิตเป็นสมาธิพอมัน เป็นสมาธิดีแล้วไม่นึกพูทโธก็ได้สามารถกําหนดรู้ใจของเจ้ของตลอดเลยถ้ามันวางความรู้สึกนะเดี๋ย้ว า, ามันวางมันก็ไม่ได้ยึดที่พุทโธมันก็วางปุ๊บบางทีก็นึกพุทโธปุ๊บปั๊บอย่างด่วนเลยมันก็วางปุ๊บลงไปเลยเนี่ยต่ถาเคยภาวนาพอมันวางปุบลงไปนี่ ใจเราจะเหลือแต่ผู้รู้หรือความรู้สึกอยู่ที่หนึ่งต่างหากกายนี้ก็ไม่มีร่างกายไม่มีเลยมีแต่ความรู้สึกอยู่ต่างหากอันนี้เรียกว่าเราทําเป็นจิตของเราสงบได้ตลอดถ้าเราหัดอย่างนี้ไม่นานเราต้องได้ภาวานานหรือได้ความสงบแน่นอนอันนี้สอนตามครูบาอาจารย์ ที่ท่านเทศนาอบรมสั่งสอนไว้มากเรื่องพุทธานุสตินี่คือพุโทโธพุธโทโธนี่คือลูกหลานของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเลือกเอาคำบริกรรมพุโทโธมาปฏิบัติเวลาเดินโยกรมถ้านกนึกพุโทโธพุธโทโธไว้ ที่หลวงตามาหาบัวเขียนว่าหลวงปู่มั่นกำลัเดินโจโกรมอยู่เดินไปเดินมาพวกชาวป่าพวกแมวพวกกะเลียงเห็นหลวงปู่เดินกลับไปกลับมาอยู่เขาก็ถามเขาถามมาเดินหาอะไรท่านก็ตอบเป็นในวะ ตามหาพุโทโธเขาว่าช่วยหาได้ไหมได้ถ้าใครนึกพุโทโธได้ก็จะเห็นใจของเจ้าของเองว่าเราเห็นพุโทโธด้วยใจของเราแล้วคือใจของเราจะสงบใจของเราก็สบายใจของเราจะเยือกเย็นใจจะเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วสมาธินก็มีศีลเป็นเครื่องรองรับมีศีลมีสมาธิสมาธิดีแล้วหรือดีมากขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา มองเห็นอาภเณนธรรมมองเห็นความสงบร่มเย็นในใจใจก็จะเป็นสุข ก, กายก็เป็นสุขเพราะไม่ได้เพ่งกรสินเร า, เอาอนุสติสิบเราพุโทโธนี่เป็นหลักเพราะนั้นให้ทุกท่านทุกคนนึกพุโทโธไว้ในใจเริ่มตั้งแต่ครั น, นี้ไป ก็จะแนะนำวิธีปฏิบัติแบบระลึกพุทธโธในใจหรือบริกรรมพุทธโธอยู่ในใจให้กับผู้มาปฏิบัติใครมาปฏิบัติในครสนี้หรือโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงผู้สาวลูกผู้มั่น หลวงปูเทศหลวงพ่อวิยาณหลวงตามหาบัวเราก็เป็นลูกเป็นหลานของท่านได้มาบริกรรมพุทโธตามแบบอย่างที่หลวงูมั่นเคยสอนมาอบรมมาครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็มีความสุขมีความสงบมีความดีความงามความเจริญทุกคน ตายแล้วเผาศพแล้วกระดูกเป็นพระธาตุหมดอันนี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริมันเกิดขึ้นด้วยเทวดาเปิดเผยให้รู้ว่าผู้นี้มีจิตบริสุทธิ์เป็นพระเยบุคคลชั้นสูงคือเป็นพระอรหันต์ส่วนพวกเราก็ทำตามครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติมาหรือตามเพุทิเจ้าทรงสอนวิธีปฏิบัติไว ให้เรานึกพุทธโธพุทธโธนี่แหละอยู่เรื่อยๆ เ, เอาไว้ที่ไหนก็ได้ลองลองดูท า, าไว้ที่ดังเจมูเก็จะเห็นลมนอ่อนๆอยู่เราก็นึกพุทธโธพุทธโธไว้เราไม่ต้องาพุทธเข้าโทออกอะไรงี้ไม่ต้องพุทเข้าโทรออกอันนั้นจิตไม่สงบถ้าเราลึกอย่างนั้นมันเป็นกงนังวลจิตจะไม่สงบจิตจะไม่เป็นสมาธิ แต่ถ้าเรานึกคุทโทพุโทโธในความรู้สึกอยู่ตลอดจยตจะเป็นสมาธิพวกเราถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ปฏิบัติตามกันเป็นตัวอย่างเป็นแนวเดียวกันเป็นแบบเดียวกันไม่ให้ต่างคนต่างสอนต่างคนต่างเทศแต่ว่าเทศใน กลางคืนนี้ก็จะให้มีเหมือนเดิมพุทธพ์อริยสัจสี่เหมือนเดิมอันนั้นเป็นความรู้ที่ต้องฟังต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจอันนั้นท่านพระมหาภัยบนุนเตรียมพร้อมอยู่ตลอดอันนี้สามารถเทศให้ญาติโยมฟังได้แต่จตมา มีหน้าที่แนะนำการปฏิบัติให้ญาติโยมให้ทำใจให้สงบโดยบริกรรมพุทโธหรือนึกพุทโธในใจพอจิตมันสงบแล้วนะสะติใจลมโอ้พุทโธพุทโธมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มันจะวางหมดทุกอย่างเหลือแต่ใจอันเดียวที่มีสติมีปัญญาอะไรอยู่พร้อมหมดมันเหลืออยู่แค่นั้นตัวตอนอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนจนกว่ามันจะออกจากวางออกจากการบริกรรมขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันสงบลงไปได้แล้วเราไม่ต้องไปตกใจ ว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อัตมาก็เคยทำอยู่ที่วัดธมงคลวัดของหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อยังก็เป็นอุปถาของหลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้ายได้เห็นหลวงปู่มั่นมรณภาพอยู่ต่อหน้าต่อตา ท่านก็เทศให้พระเนนที่วัฒนบุคคลฟังวันพระถ้าท่านไม่ขึ้นเทศอาตมาก็เทศทุกวันพระเลยนะถ้าหลวงพ่อขึ้นเทศพระเนนก็นั่งฟังแต่ถ้าหลวงพ่อท่านติดธุระไม่มาเทศอาตมาก็ขึ้นเทศ วันไหนหลวงพ่อวิยัาณท่านขึ้นสอนอาตมาก็ไปนั่งสมาธิอยู่หลังธรรมะคือพระหันหน้าไปทางพระพุทธรูปหันหลังให้หลวงพ่อวิยัาส่วนญาติโยมก็หันหน้าฟังหลวงพ่อวิย่างรวมแล้วคือทั้งพระทั้งโยมตั้งใจฟัง ท่านก็สอนให้บริกรรมพุทโธนี่แหละประเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอัตมาก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจไม่ได้ออกมาทางปากหรอกนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหน่อยหนึ่งพุทโธพุทโธมันเร่งเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้บังคับเลยมันพุทโธพุทโธพุทโธพุไปเงี่ยอย่างเร็วเลยนั่นเตะกิจของอัตมาก็ เอาเป็นแล้วก็เป็นตายก็ตายอเอาคิดนี้จะเป็นจะตายยังก็ตา ม, มตายก็ตายจิตวางพุบเลยโอ้ยนั่งอยู่จนหลวงพ่อเทศจะจบใกล้จะจบจงมันถึงถอนกลับคืนสู่สภาพปกติมีแต่ใจอย่างเดียวอพอออกจากสมาธิมาแล้วโอ้โห มันมีความสุขอย่างมากที่สุดเลยมีความสุขมากที่สุดข้าวนี่กินวันละสองคำสามคาก็อิ่มแล้วแต่ว่าผอมลงผอมลงร่างกายผอมลงแต่สมาธินี่ไม่ขาดเลยนั่งตลอดแต่ก่อนยังทำงานอยู่เป็นครูสอนอยู่ เป็นคณะกรรมาการวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสนอยู่อัตมาก็ลาออกจากครูตั้งแใจปฏิบัติอย่างเดียวจิตก็สงบสบายจิตสงบสบาย สบายมากๆทีเดียวซึ่งไม่เคยรับความสงบแบบนั้นมา ก, ก่อนเลยอยู่ที่วัด น, นั้นคือว่าธรรมงคลเนี่ยอัตมาก็ทาหน้าที่เป็นครูของกรมการศาสนาให้เป็นครูสอนชั้นมัธยม จะสอนบาลีวยากรบาลีให้กับพระนิหาัตามาก็เห็นว่ามันมันงานมันมากงานมันหลายอย่างไหนสอนไหนเรียนอะไรต่างๆอยู่ก็เลยขอลาออกขอลาออกจากความเป็นครู พอมานั่งสมาธิทุกวันอาจจะมาสบายใจมากแต่ว่าร่างกายผอมเพราะกินข้าวน้อยมันไม่อยากเลยกินแค่สองสามคำก็หยุดละใจเนมเบาสบายคิดแต่อยากออก เราไปปฏิบัติที่ไหนตอนนั้นหลวงปู่แหวนมีชื่อเสียงโด่งดังมากคิดอยากไปชวนเพื่อนแล้วคิดว่าจะไปด้วยกันไปอยู่วัดหลวงปู่แหวนอืมแต่พอไปอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเราจะไปทําไมต้นนะจะขอลาหลวงปู่ไปหาหลวงปู่แหวนนั่นหลวงปู่เทศเราจะไปทําไม มันจะได้สมาธิอยู่แล้วเดินมาอาตมาก็เลยหยุดคือเชื่อฟังท่านก็เลยอยู่ปฏิบัติอยู่กับท่านสามปีสามปีนั้นไปจำมรรษาที่วัดธรรมองคลสองปีปีที่สามจำพรรษาที่วัดหินหักเป่งกับลงปู เวลาเดินอยู่กอเวลานั่งสมาธิก็บริกรรมพุทโธนั่นแหละไว้แมใ่ใจห่างพุทโธเลยแม้แต่ไปวิศธบาตเดินไปก็นึกพุทโธในใจไปนึกพุทโธพุทโธไปใจก็สงบเย็นสบายแต่หลวงพูมีตาสมาทดลองดูสองปีเนี่ยที่ผ่านมาที่อยู่กับหลวงพุทศเนี่ อัตมาก็าอยากอยู่ปฏิบัติพอดีรบภูเทศก็เลยบอกว่ามาดูแลหมู่คณะให้ด้วยเพราะตอ น, นั้นอายุพันศาของอัตมาได้สิบพันษารบภูเทศบอกว่ามาปกครองดูแลหมู่คณะให้ด้วยแล้วมาปฏิบัติธรรมด้วยท่านบอกก็เลยกราบเรียนว่าผมเป็นพระนักเรียน มากอดมาปกครองพระปฏิบัตินี่ข้าผมกลัวจะไม่ถูกใจพระส่วนการปฏิบัตินี่ผมจะเอาอยู่จะมาอยู่หลวงปู่บอกท่านเออมาปฏิบัติก็ได้แต่ ม, มดีมากเลยเราดึก โตันทัว ต, ต, ตลอดนั่งอยู่บนรถก่อนจะเข้าไปลาหลวงพ่อวิยญาณนั่งรถจากสีเชียงใหม่ขึ้นไปบนรถถูกแอร์เย็นธรรมะก็เกิดขึ้นในใจนอนหลับไปก็ยังได้มิมิต ด, ดีด้วยแต่ถ้าจะนำเหล้าก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ แต่ได้อยู่จ0 0ัปษาหลวงปู่เทศ1พ0 0ปษารับกระถินแล้วหนาแรงท่านหลวงปู่วันมาคุยกับหลวงปู่ท่านคุยกันอยู่อาจามาก็เป็นพระที่คอยรับใช้ซือย่ามถืออะไรให้ท่าน หมายถึงท่านอาจารย์วันก็ไปอยู่กับอาจารย์วันไดส้สิบวันพ่อคิดถึงโยมพ่อก็เลยมาสอนธรรมะนิธีปฏิบัติธรรมบริกรรมพุทโธนี่แหละให้กับญาติโยม ชาวบ้านกั้งคือเป้าหมายที่สุดก็คือจะมาสอนโยมพ่อให้โยมพ่อได้สมาธิได้ปฏิบัติธรรมโยมพ่อก็ไปฝึกปฏิบัติด้วยอาตมาก็สอนอยู่ยี่สิบวันสอนยี่สิบวันกำนันพอกบริบาล เกิดศรัทธาคนในฟังธรรมะนี่คลือนเนี่เจ็ดสิบแปดสิบคนนั้นนะชาวบ้านเน่ยเวลาหยุดพาวนานแล้วหวัวละชื่นอกชื่นใจอัตมาก็อยู่ได้แค่แค่นี้แหละแค่ยี่สิบวันมาอยู่บันกั้งเนะยมาปูดโยมพ่อเสร็จแล้วก็กลับไปหาหลวงพุทศ ขอลาท่านมาอยู่ที่นี่เขาถวายป่าแห่งนี้ให้มันเป็นที่ของกระนันปอกบริบาลกับเป็นที่ของนายคำพิลาพมอาตมาอยากได้ถึงไหนเขาให้หมดที่วัดเราก็ต้องร้อยหกสิบไร่ตรงไหนไม่สวยไม่งามก็ซื้อเพิ่มเติมให้มันเป็นรูปเป็นทรงที่สวยงามอืมก็เริ่มสร้างวัดนั้นมา สอนภาวนาก็ใช้บริกรรมพุทธโธกับชาวบ้านบริกรรมพุทธโธพุทธโธเขาก็เข้าใจเขาก็ทําได้อาตมารับที่แห่งนี้แล้วชาวบ้านหนองเต่าตุกังคืนก็พาลูกพาหลานออกมาฟังธรรมอาตมาก็ไม่ได้อยู่ศาลาใหญ่อย่างนี้หรอกอันนี้มันที่หลังก็อยู่กับพื้นกับ ก็ท่อมหญ้าเนี่ยมีเงินอยู่ร้อยห้าสิบบาทเหลือจากค่ารถมีเงินอยู่ร้อยห้าสิบบาทมาซื้อหญ้าซื้ออะไรทำมงงุงหลังคาชาว บ, บ้านก็มาช่วยทำหายหญ้าคามาทำเป็นกุฏิเป็นศาลาเป็นกุฏิให้ก็ได้อยู่มาเรื่อยๆไม่ได้ไปจำพรรษาที่อื่นเลย อยู่ประจำกับดอนหายโศกนี่แหละเลื่อยมาจนป่านนี้แหละมาตั้งแต่ยังหนุ่มตอนนี้ก็จะว่าหนุ่มก็ไม่ใช่เพราะมันมันแก่แล้วนี่แหละก็สอดภาวนาให้ญาติโยมให้ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้ได้เห็นธรรมะในพระพุทธศาสนาเห็นใจสงบเห็นใจเป็นหนึ่งเห็นใจสบายถ้าทำถูกไม่ยากแต่ถ้าทำไม่ถูกยากอยู่ไปบินทบาทก็นึกพุทธโธนะจะมาบางทีลืมดูยมด้วยนะเขาจะมาใส่บาทนี่ก็ ยังนึกพูตัูตไปก็เลยลืมเขาเขาว่าอ้าลงอาจารย์เขาว่าโอ้โอลืมลื ม, ม่าก็ไปให้เขาใส่บาตรใส่บาตรเสร็จเขากลับเขาไหว้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สวดยถาสปีให้ตอนนั้นหรอกก็มารับพรนกันที่วัดอา ต, ตมาก็บอกชาวบ้านน่าไม่มาก็ได้ใส่บาตรเอาอาตมาอยู่คนเดียว ก็มีญาตินิยมมาช่วยบางอะไรบ้างเข้าก้นบาดก็เลี้ยงคนที่มาทางหญ้าทางป่าช่วยวัดนี้ก็เลยเป็นวัดขึ้นไปตามลำดับมาอยู่ที่นี่สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบเท่าไหร่จะมาได้นนไล่ดูสามสิบกว่าปีแล้วตวาภาวนาเป็นเรื่องเป็นราว ดีขึ้นก็เลยไปเล่าถวายหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศบอกว่าทําให้มันละเอียดถ้ามาอยู่ก็ไม่ได้ทําอะไรดูเขาแแทะถางป่าบ้างอะไรบ้างก็นอนอยู่ใต้ร่มไม้เลเอาผ้าปูแล้วก็นอนนอนไปก็นึกพุท พุทโทอยู่ในใจบางทีใจก็สงบบางทีก็ไม่สงบก็ไปเลือกธรรมดาหลวงปู่บอกว่าทําให้มันละเอียดแต่ต้องตั้งใจทําใจไม่ห่างจากพุทโธเลยอยู่กับพุทโธรตลอดก็สร้างวัดสร้างว่ามีญาติโดมลูกศิษย์ลูกหาศรัทธ า, าโดมศรัทธาก็มาสร้างศาลาสร้าง โบทขึ้นก็ได้ปูดเอาคนให้ได้อานิสง์ในการสร้างความเจริญให้พุทธศาสนามีวัดมีสลามีโบสถ์แล้วก็มีนั้นนี่กุฏิวิหารญาติโยมก็มาถวายพูดง่ายว่าวัดวัดก็อยู่ในขณะที่เลี้ยงตัวได้ ก็คุยกับท่านไผ่บูรณว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้เป็นมหาหรอกเพราะท่านไม่ได้สอบมาเรียนบาลีไม่ไนันมาเป็นมหาเอาตอนหลังสอบเป็นป ร, ริญญาสามประโยคได้ตอนหลังอามารก็ปรึกษากันกับท่านไผบูรณว่าจะทำยังไงเราจะช่วยพุทธศาสนาได้อย่างไรก็ดูตรงนั้นตรงนี้ที่เขาทาเขาเผยแร่อ ย, อยู่ ก็เลยอาจจะอย่างนั้นเราลองทำทีิบัติเราดูโปรดญาติโยมได้นะแบบนี้ถ้าเราทำไปตลอดไม่ไม่หยุดไม่นั้นก็ญาติโยมก็จะมีกิจเป็นสมาธิมากขึ้นปัญญาก็จะเกิดมรรคผลก็จะเกิดสุดแต่บุญวัดาสนาบรารมีของแต่ละบุคคลการที่ปฏิบัตินี้ให้ปฏิบัติ บริกรรมพุโทโธไว้ในใจเราจะสังเกตได้เวลาตอนนี้กิจของคนมันสบายขึ้นแล้วเพราะอยู่มาได้หลายวันแล้วยังไงก็ให้บริกรรมไว้พุโทโธพุธโทโธนี้มันหมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนพระกรรมฐาน ทั่วประเทศนั่นแหละสอนกรรมฐานสอนวิธีปฏิบัติธรรมสอนวิธีชำระกิจให้บริสุทธิ์ท่านอายุมากแล้วถ้าเกิดมาอยู่ภาคอีสานก็มาสอนธรรมะม่พักท่านก็อยู่ที่วัดบ้านน้องผือนาในตะบนนาในก็สอนบริกรรมพุทโธนี่แหละ ให้กับญาติกับโวมเหล่านั้นมันก็น่าอยู่นะน้องพืนนาในานี่เพราะมันอยู่ในใหุ่ข้่าอยู่ในแอง่งหรือในหุบเขาต้นไม้เยอะแต่ต้นไม้รุ่นเกา่าถูกตัดไปหมดเหลือแต่รุ่นที่ขึ้นใหม่ก็เป็นป่าทืบอยู่เหมือนเดิม ไข้ป่าแต่ก่อนก็มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นเป็นไข้ป่าเกาไม่มียากินนะไม่มียากินรักษาโดยบริการพุโทโธนี่แหละเข้าสมาธิดื่มน้ําแล้วเข้าสมาธิแบบนี้นั่งสมาธิตายเป็นตายยังเป็นยังอือตายก็ตาย เข้าสมาธิไปเลยนึกกุดทัวพุโทโอไปอย่างนันตลอดจิตสงบลงออกจากสมาธิโเหเเงื่อโทมกายหายไข้เลยนั่นคือท่านสู้ตายไม่ยอมถอยไหนจะเป็นไข้เป็นอะไรก็ยังต่อสู้อดทนไม่ถอย ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็เป็นพระปฏิบัติที่มีความตั้งใจเผยแพร่ศาสนาเราจะเห็นได้ชัดว่าครูบาอาจารย์รุ่นนี้รุ่นสมัยหลวงปู่มันนีภาวนากันอย่างหนักหน่วงนอนน้อยกินน้อยภาวนามาก นั่งสมาธิบางทีทั้งวันทั้งคืนบางทีได้ลหลายคืนนั่งสมาธิบริกรรมพุทธโธให้กิจสงบทำงั้นน่พอมาถึงลูกถึงหลานเนี่ยจะมาอยู่ในฐานะเป็นหลานถ้าพูดภาษาโล ก, กเรียกว่าเป็นหลานส่วนหลวงปู่ วิทยังก็ดีหลวงปู่เทศก็ดีเป็นลูกของหลวงปู่มั่นอาตมาได้ธรรมะได้ภาวนาเป็นอยู่เดี๋ยวนี้นั่นก็เริ่มต้นจากครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อวิทยังกับหลวงปู่เทศในปฏิบัติท่าน ตามความสามารถแต่ว่าไปอยู่หนนี่เมกเป้ง น, นี่อาตมาเข้าไปปฏิบัติหลวงปู่น้อยไม่ได้ไ ป, ไปมากพอทำธุระเสร็จไหวพระสวนว์เสร็จพระเนนจะไปเต็มกุฏิหลวงปู่แล้วเราไปทีหลังแต่ตอนกลางวันตอ น, นเช้าเสร็จอาตมาลึกขึ้นสู่ทางยงกรมเลยเดินยงกรมจนเท้าพองเลย เดินโยกมก็นัพนพ่พุโทโธแห้ะไปนั่พุโทโธพุทโธพุทโธไว้ปเดินโุคมืตั้งแต่ชันข้าเสร็จจนถึงสิบเอดนาฬิกาจึงหยุดไปดื่มน้ําเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิไปนี้สารเข้ามือเดียวนั่งสมาธิจนเหนื่อยจนพอนั่นแหละถึงหยุดหยุดแล้วก็ ไปธร ม, มัดสวดมนต์เสร็จจากธร ม, มัดสุดมนต์อาจะมาไม่ดื่นเดินกลางคืนเพราะกลัวงูงูมันเยอะกลัวแต่เข็บตะขาพวกนั้นเนี่ยจะกัดจะต่อยเอากลางคืนมาจะชอบร่างสมาธิเราเคยอยู่ที่วัดที่มีแสงสว่างมีไฟมีอะไรเยอะ เขาเผาสมอยู่ก็ไม่กลัวสามารถไปนอนอยู่ใกล้ๆได้นองรักษาพระบรมสารีกธาตงพ่อท่าก็ไม่ได้สั่งหรอกแต่ว่าตั้งใจอยากจะไปคอยดูแลกลัวมันจะคนจะมางัดมาแงาเอาไปแต่พอออกจากวัดธมงคลแล้วมาอยู่กับลวงพุทธิ์ตกกลางคืนมากลัวมากเลยกลัวกลัวผี กลัวไมกลัวกลัวมากกว่านี้กลัวมันไม่กลัวที่อื่นนี่มันกลัวอยู่ใต้บันไดนเองพอขึ้นบันไดไปมันกลัวเหมือนอะไรจะมาหลอกมาหลอดอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันกลัวเราต้องสู้กลัวที่ไหนอยู่ที่นั่นจนหายกลัวถึงจะหยุดกลัวใต้บันไดก็กางกดอยู่ใต้บันไดนั่นแหละ นั่งสมาธิภาวนาอยู่จนดึกจนดื่นถึงเวลานอนก็นอนใต้บันไดนั่นเนี่ยทำอยู่สามสี่ห้าคืนหายไปเลยไม่กลัวพอไม่กลัวที่นี่ก็ไปเดินจงกรมไปไ่้สมาธิอยู่ลานโบสถ์ไปเดินจงกรมไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นก็กลัวอีกนั่น ก, ก็ดีกระดูกยม เผาสพเสร็จแล้วก็เอาใส่โลแล้วก็ใส่ไว้หลังโบสถ์อาจจะมาไปทาความสาอาไปเจอพอดีกลัวขึ้นอีกวานี้กลัวพีหลอกแล้วนะกลัวกลัวมากจะทำยังไงเนาะวะหมู่เพื่อนสองทุ่มสามทุ่มนี่หลังจากไปถวายงานนวดจับเส้นให้หลวงปู่แล้วก็จะพากันไปเดินจง ก, กรมอยู่ในลานโบสถ์ ไม่ใช่ใดูงค์เดียวนะหลายองค์อัตมาก็ไปก็ไปเดินยุโยมกับเขาทางทั้งที่กลัวอยู่นั่นแหละมันกลัวที่นี่เราต้องอยู่ที่นี่พอหกทุ่มผ้านเนนก็กลับกุฏิบุแล้วเขับไปหมดแล้วพะระเหลืออัตมาคนเดียวเอาทั้งบาทเอาทั้งย่ามทั้งผ้าคลอง ก็ไปนอนอยู่หลังโบสนั่นแหละอยู่ ใ, ใกล้กันดูกันแหละโอ้มันก็เอาโอากาสอยู่เหมือนกันนะไอ้ขมลัวนี่หัวใจสั่นลิกลิกเลยไปนอนนั้นสองคืนหายกลัวอืมหายกลัวหายกลัวผีทีนี้จะ อย่าไปอยู่ที่ป่าชา้าบ น, นี้ป่าช้าบ้านโคกโคกซวกไทยเจริญจะไปอยู่ป่าชา้าตั้งใจว่าจะไปคุยกับหลวงปู่อยากจะขออนุญาตท่านไปทดลองที่ป่าช้าที่เขาเผาศพจะขอไปที่นั่นพอเข้าไปยังไม่ได้ท่านได้กราบหรอกกำลังกราบหลวงปู่เทศว่า เรากลัวป่าชา้าเราไม่ชอบป่าชา้าถ้าพูดแค่นี้อตาตมาก็เลยไม่พูดเรื่องที่ว่าจะไปอยู่ป่าชา้าเพราะถ้าว่าท่านกลัวป่าชา้าท่านว่าไม่ชอบป่าชา้าท่านว่าที่จริงก็คือท่านสอนเราเนั่นแหละถ้าไปอยู่ป่าช้าเนี่ยหมาหมาปุ๊บเลยก็จะกระโดดหนีะนี่หมาหนีเก็นึกว่าเป็นผีก็จะวิ่งกว่าจะมาถึงวัด ตายพอดีเลยอืมเป็นบ้าเลยว่ากันเถอะอืมนี่แหละต้องปู้พูดแบบนั้นแหละจะมาเข้าใจเข้าใจความหมายว่าเราไม่ชอบปา่าช้าเข้ามาก็อย่าไปถ้าบุญภาสาโลกเราเด้วก็อย่าไปเดี๋ยวมันกลัวผีแล้วมันจะเป็นอันตรายเวลาเห็นหมาเห็นเล็บหมามันก็จะอันตรายเราจะตื่นนะตกใจ วิ่งหนีแต่ดีที่มีเพื่อนเพื่อนก็สำคัญนะเห็นเขาเผาศพอาตมาก็นั่งดูศพไฟไหม้เยูะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเราดูศพก่อนเร้ค่อยกลับเขาเผาไฟบางทีก็ไม้ฟืนมันก็ตกลงมา เราก็ดูอยู่นั่นแหละในเวลาคับมืดแล้วก็เลยพากันกับพาไปอยู่บนภูเขาก็เหมือนกันครั้งแรกก็ไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยคืนเดียวอาตมาที่ฐานแจว่าจะอยู่สิบคืนอาตมาก็ต้องอยู่ถึงสิบคืนอยู่คนเดียวบนยอดเขานะโอ้ย แก้ควมกลัวนี่เอาอย่างเต็มที่เลยแต่ว่านึกถึงพูดโทนแล้วความกลัวมันก็ค่อยหายไปอืมันก็หายไปอยู่ที่นั่นถ้าอยู่หลายๆปีคงจะได้ประสบการณ์อีกมากมายทีเดียวแต่ว่านี่ถ้าไม่เอาที่ตรงนี้ไว้เราก็จะไม่มีที่ไว้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เลยเอพอในเขตนี้ไม่มีพระปฏิบัติ สายลูกผูมั่นอยู่เรามาสร้างวัดอยู่คนเดียวในป่าหลวงปู่ก็ไม่อยากให้มาหรอกท่านก็บอกอุบายอยู่ถ้าน ไ, ไปสร้างแล้วก็ต้องอยู่ให้เขาก่อนจะมาท่านกระบอกสร้างวัดภายนอกสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ สร้างวัดภายในให้มันเสร็จก่อนท่านบอกจะมาได้ไปต่อสู้อดทนในทุกรูปแบบเลยกว่าวัดจะเป็นวัดอย่างนี้ก็ใช้เวลานานหลายปีแต่ถ้าไม่เอาในตอนนั้นทุกวันนี้ก็เป็นไรอ้อยหมดแล้ว ป่านี่ก็จะไม่มีป่าเลยจะถูกตัดออกหมดนี่แหละมาปฏิบัติอยู่นี่ก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นก็ตั้งสติไว้กับพุโทโธแม้แต่ฉันข้าวก็ลองกำหนดพุดโทโธไปด้วยแต่มันไม่ละเอียดเออเวลาลถอาหารมันอยู่ในปากนี่มัน มันจะจิตมันก็ไปเป็นอีกอย่างหนึง่งลองทําดูเอ้มันก็ไม่เท่าไหร่จิตไม่ค่อยสงบป็นไหยเพราะว่ามันติดอยู่ในรถอาหารแต่ถ้าสันเช้าเสร็จเดินโยกมเดินก็เดินอยู่ข้างสล า, านี่ยตอนช่างสล า, าเสร็จแต่ตอนช่างสล า, ายังไม่เสร็จ ก็เดินทุกขอยู่กนะุฏิเบอร์สองแต่เป็นกุฏิไม้ทำความภาคความเพียรอย่างเต็มที่มันเห็นชัดในใจของตนเราภาวนาเป็นแล้วที่นี่ มันเป็นที่ที่เป็นมงคลพอจัดการปฏิบัติธรรมญาติยโยมก็พากันมาครั้งแรกมีหกสิบคนทั้งผู้ชายผู้หญิงหกสิบคนแต่กุฏิก็ไม่พอหรอกเป็นกุฏิย่าปัจจุบันนี้จนไนในห้ามไว้ รับไม่เกิดร้อยี่สิบถ้าวงั้นมันที่พักที่อะไรจะไม่พออาหารการกินอะไรต่างก็ได้ปฏิบัติกันมาครั้งแรกทีเดียวก็บริกรรมพุทธโธบริกรรมพุทธโธต่อมาค้อที่สองที่สามก็สอนอาปานสติส่วนวันนี้สอนให้บริกรรมพุทธโธ นับแต่บัดนี้ไปจะสอนญาติโยมด้วยการบริกรรมพุทธโธเหมือนหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านแนะนาพสอนไว้แล้วก็จะพยายามอธิบายการปฏิบัติแบบบริกรรมพุทธโธนี้ให้พุทธบริษัทญาติโยมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจเจริญลูกเรืองในธรรมของพระสมมาสมุทัเจ้า มีความสุขกายสบายใจตลอดไปขอทุกท่านทุกคนเรียกว่าเป็นรุ่นแรกของการแนะวิธีปฏิบัติหรือนำวิธีปฏิบัติ บ, ตบริกรรมพุทโธมาใช้อีกต่อไปเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งพระทั้งโยมได้ศึกษาทมความเข้าใจ ให้ได้เห็นอัตเห็นธรรมทั้งเทวดาและมนุษย์พิสุสงสามเณรให้ได้ที่พึ่งอันประเสริฐคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นหลักในการที่จะสอนภาวนาต่อไปขอให้ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกในการบริกรรมพุทโธ ต่อไปก็จะสอนเรื่องนี้แหละเรื่อยๆทุกคอดไปเดีย๋ยวเข้าเส้นเข้าทางกับครูบาอาจารย์ไม่ฝ่าฝืนดื้อรั้นให้ทุกท่านทุกคนจงประสบความสำเร็จในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ